วันอาทิตย์ที่15กันยายนพศ2539ในการบรรยายพระ ส, สูตรในสังยุตติกายเรื่องปฏิจจสมุปบาทแต่จากปสะเทศโธทิสัทธาสาธุชนที่เคารพครับพระสูตรวันนี้เป็นพระสูตรซึ่งขึ้นในวรรคที่หกวรรคหนึ่งก็มีสิบสูตรวรรคที่หกนี้มีชื่อว่าทุก ข, ขวรรค แปลว่าตอนที่แสดงเรื่องทุกมีโดยลาดับสิบสูตรแล้วก็ทุก์ที่กล่าวถึงในระสูตรจุดนี้ก็เกี่ยวกับทุกที่แสดงในรูปของปฏิจจสมุปบาทไม่ได้แสดงในรูปของอริยสัจสี่สูตรแรกมีชื่อว่าปาลิวิมังสนสูตรเราจะคุ้นกับคำว่าวิมังสา ในอิทธิบาทสี่แปลว่าการพิจารณาในที่นี้เติมคำว่าปาริเข้ามาเป็นปุภาษาข้างหน้าด้วยก็แปลว่ารอบการพิจารณารอบแปลเอาความว่าการเพ่งพิจารณาก็หมายถึงการเพ่งพิจารณานามรูปที่ในที่นี้เรียกว่าทุกนั่นเอง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่นะพระเชษฐาวันอารามของท่านอนาถาบินติกาเศรษฐีกรุงสาวัตถีณที่นั่นแหลพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายทูลรับพระผู้มีพระภาคว่าพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายด้วยเหตุเท่าไรหนอแลภิกษุเมื่อพิจารณาพึงพิจารณา เพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบโดยประการทั้งปวงอตรงนี้ก็อธิบายกันเฉยเลยนะครับที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอคาว่าด้วยเหตุเพียงเท่าไรเนี่ยหมายถึงการพิจารณาเพื่อความสิ้นทุกข์เนี่ยกระทําด้วยความสมบูรณ์ในทางเหตุอย่างไรคือพิจารณาในรายละเอียดว่าอย่างไรนั่นเองการพิจารณาในรายละเอียดว่าอย่างไรนั่นแหละ เป็นเหตุของการพิจารณาเพื่อความสิ้นทุกข์ที่ท่านตรัสว่าพิจารณาในภาษาบาลีเนี่ยเราต้องทําความเข้าใจให้ชัดตามความประสงค์ของพระเจ้าในที่นี้ว่าพิจารณาตรงนี้ไม่ใช่คิดพิจารณาคิดพิจารณาซึ่งเป็นสุตตมยะปัญญาก็ดีหรือว่าการคิดพิจารณาที่เกิดขึ้นจากการคิดเองก็ดี ไม่ถือเอาในคําว่าปริวิมังสณนะคาว่าปริวิมังณะที่แปลว่าพิจารณานี้หมายเอาภาวนาเมายะปัญญาคือถ้าเราใช้คําว่าโยนิโสอย่างที่พูดมาเมื่อก่อนหน้านี้ก็หมายถึงการใส่ใจโดยแยกขายแต่คําว่าปริวิมังสาเนี่ยเป็นชื่อของปัญญาต้อเอาความว่าพิจารณาด้วยปัญญาใช้ปัญญาพิจารณา และมิใช่การคิดเอาแต่หมายถึงการกําหนดอย่างเป็นวิปัสสนากรรมฐานเวลาคนทําภาวนาหรือทําวิปัสสนากรรมฐานนั้นคําหนึ่งที่เราใช้ก็คือการพิจารณาเหมือนกั น, บ า, าานกาบางครั้งเราก็ใช้คําว่ามนติการบางครั้งเราก็ใช้คําว่าการกําหนดรู้ ก็เป็นอันเดียวกันนะครับขอให้สังเกตให้ได้ว่าอยกสติขึ้นมาเป็นประธานหรือยกมนุิการขึ้นมาเป็นประธานหรือยกความเพียรขึ้นมาเป็นประธานแต่ยกความเพียรขึ้นมาเป็นประธานก็จะตรัสว่าอาประกอบความเพียรกระทําความเพียรที่บาลีอาจจะใช้หลายคําแต่ก็หมายถึงความเพียรไม่ว่าจะเป็นตบะ ไม่ว่าจะเป็นวิริยะไม่ว่าจะเป็นโยคะอ้วนแล้วแต่เป็นความเปลี่ยนทั้งนั้นถ้าใช้คำว่าวิมังสาก็โปรดทราบว่าเรียกโดยปัญญาใช้คำว่าสัมปัญญายาก็เรียกโดยปัญญาและความหมายจะต้องเบ็ดเสร็จร่วมกันในข้อที่ว่าหมายถึงกระทาอย่างในเกณฑ์ของภาวนาเมายักุศลจึงจะถือเอาในที่นี้ และการพิจารณาที่เป็นวิปัสนาทิวาเนี่ยก็เป็นการพิจารณาอย่างมีจุดมุ่งหมายคือจุดมุ่งหมายนั้นก็คือความพ้นทุกข์หรือความดับทุกข์หรือความสิ้นทุกข์และคำว่าทุกข์ที่กล่าวถึงในทีน่นี้หมายถึงวัตถุทุกข์เป็นสาระสำคัญนะครับไอ้ทุกอย่างอื่นก็อาจจะสิ้นละไปด้วยแต่นั่นไม่ใช่เป็น เป็นทุกโดยตรงที่มุ่งมาให้เอาในทางการปฏิบัติวิปัสนาเช่นว่าความทุกข์ใจความไม่สบายใจหรือความทุกข์ที่เกิดจากความฝุกเคืองในการแสวงหาปัจจัยสี่ก็มีผลได้ด้วยเหมือนกันเป็นผลปลอยได้แต่ไม่ใช่เป็นวัตทุกขและไม่ใช่เป็นความมุ่งหมายของการปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานคาว่าโดยชอบเนี่ยเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นพุทธันตรัสเน้นว่า พุนละคุนทุกจริงจริงดับทุกจริงจริงอย่างถูกต้องไม่ใช่อย่างผิดไม่ใช่ผิดและโดยประการทั้งปวงเนี่ยก็คือเกวระปริปุ น, นังโดยสิ้นเชิงโดยไม่มีส่วนเหลือโดยไม่มีส่วนเหลือก็ในขั้นนั้นๆและสูงสุดก็คือขั้นเป็นพระอารา เรียกว่าพ้นทุกข์อย่างถูกต้องโดยสิ้นเชิงไม่มีส่วนเหลือนี่เมื่อเริ่มต้นตรง น, นี้ก็จะเห็นว่าพระสูตรนี้เป็นธรรมะที่เกี่ยวกับวัตตะและวิวัตตะเป็นเรื่องระดับสูงพระพุทธเจ้าได้ตรัสถามภิกษุว่าทำอย่างไรนะทำอย่างไรด้วยคำว่าด้วยเหตุเพียงเท่าไรการพิจารณ า, านั้น จึงจะเป็นผลตามความมุ่งหมายคือความสิ้นทุกโดยชอบโดยประการทั้งปวงพระผู้มีพระภาคได้ทรงตรัสถามเป็นกะเทตุกรร ม, มยตาผุจฉาอย่างนี้เพื่อจะตรัสวิสัชนาเองเมื่อได้ถามพระผู้ว่าษามพิสูจทั้งหลายพิสูจทั้งหลายก็กราบทูลว่าทำทั้งหลายของพวกขาพระองค์มีพระผู้มีพระภาคเป็นที่ตั้งคือเป็นที่อาศัยเป็นผู้นํา เป็นผู้นำข้อมูลหรือความจริงนั้นมาให้เป็นที่พึ่งได้โปรดเถิดพระพุทธเจ้าข้าขอเนื้อความแห่งภาสิตนี้จงแจ่มแจ้งกับพระผู้มีพระภาคเถิดข้อความตัวนี้ในรูปภาษาไทยดูพิกลเหมือนเป็นคำย้อนแต่ว่าความหมายในทางบาลีนั้นท่านหมายถึง ขอให้พระพุทธเจ้าทรงอธิบายเองทรงแสดงแจ่มแจ้งนหมายถึงทรงทาให้แจ่มแจ้งคือทรงแสดงให้ปรากฏภิสูุทั้งหลายได้ฟังแล้วจะทรงจำไว้พระผู้มีพระภาคทรงได้ตรัสว่าดูก่อนพิสูนทั้งหลา ย, ลาลายถ้าเช่นนั้นเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นพูนรับพระผู้มีพระภาคแล้ว ก็เป็นอันว่าต้นสุรได้เริ่มมาถึงที่สุดนี้แล้วจากนั้นพระผู้มีพระภาคจึงได้ทรงสแสดงสิ่งที่ท่านเรียกว่าเหตุเพียงเท่าไหร่เนี่ยว่าคนจะดับทุกข์ในสังสารวัฏได้ตามกระบวนการของภาวนากุศลนี้ต้องทำอย่างไรพิจารณาอะไรก็คือพิจารณานามรูปโดยประการอย่างไร ตรัสว่าดูก่อรพิสู้งหลายพิสูในธรรมวินัยนี้เมื่อพิจารณาย่อมพิจารณาว่าทุก์คือชาราและมรณะมีประการต่างๆมากมายเกิดขึ้นในโลกทุกนี้นมีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นสมุทยัยมีอะไรเป็นกําเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดนอแหล เมื่ออะไรมีชลาและมรณะยึงมีเมื่ออะไรไม่มีชลาและมรณะจึงไม่มีพิสษุนั้นพิจารณาอยู่พิกษุนนั้นพิจารณาอยู่นี้พระผู้มีภาคตรัสหมายถึงพิกษุองค์ที่จะพึงปฏิบัติเพื่อความทิ้นทุกเนี่ยก็องนั้นไม่ได้ระบุว่าองค์ไหนละย่อมรู้ประจักษ์ว่าจะเห็นว่าบาลีนั้นใช้คำว่ารู้ประจักษ์เนี่ยคือ รู้ด้วยภาวนาวิธีไม่ใช่รู้ด้วยการคิดและการฟังรู้มาจากว่าอย่างไรทุกคือชร า, าและมรณะมีประการต่างๆมากมายเกิดขึ้นในโลกทุกนี้แหลมีชาติเป็นเหตุมีชาติเป็นสมุทยัยมีชาติเป็นกาเนิดมีชาติเป็นแดนเกิดมีชาติเป็นชรามีชาติ เมื่อชาติมีชลาโมระจึงมีเมื่อชาติไม่มีชลามระจึงไม่มีเราก็อ่านแค่นี้ก่อนท่านสังเกตว่าพระผู้มีพระภาคได้ทรงสแสดงการกำหนดวิปัสนาโดยในของปฏิจจสมุปบาทด้วยการกำหนดชลาและมระเป็นองค์ต้นด้วยตรัสคำว่าเป็นทุกข์เะนั้นอารมณ์ของวิปัสนาเนี่ย บางทีท่านเรียกว่าเป็นทุกข์บางทีเรียกว่านามรูปเป็นอันเดียวกั น, นะครับจะเรียกว่าทุกข์หรือเรียกว่านามรูปก็แล้วแต่ส่วนบทขยายว่าทุกข์นั้นคืออะไรหรือนามรูปนั้นคืออะไรคาว่าคืออะไรหมายถึงโดยประการแห่งนัยยะในการกำหนดอย่างไรตรงไหนนะครับเช่นว่ากำหนดที่ตาก็คือกำหนด ุกหรือนามรูปคือตาถ้ากำหนดที่ขันก็กำหนดที่เวทนาบ้างที่สัญญาบ้างที่สังขารบ้างที่วิญญาณบ้างถ้ากำหนดโดยนัยยะของปฏิจจ์ก็แล้วแต่จะกำหนดองค์ไหนของของปฏิจจ์ในที่นี้ท่านเริ่มจับที่ชรลาและมรณะก่อนอื่นเนี่ยนะครับ ผมอยากจะพูดเทียบกับอริยสัจครั้งนิดหนึ่งถ้าว่าถึงตามตรงในสูตรนี้ชาลาและมรณะเป็นทุกข์เป็นผลใช่ไหมฮะมีอะไรเป็นเหตุมีชาติถามว่าชาติไม่เป็นทุกข์หรือเราก็นึกถึงอริยสัจสี่เวลาท่านตรัสถึงทุกขสัจในที่นั้นกัตดกตรัสว่าทุกขสัจเป็นเช่ไหนเราก็จะนึกได้ว่า ตรัสว่าชาติปิทุกขาชาติเป็นทุกข์ชาราเป็นทุกข์มรณะเป็นทุกข์โสกบุรีเตวะทุกขโทมานัตอุปายาตเป็นทุกข์ตรัสในฐานะที่เป็นผลเหมือนกันหมดแล้วก็สมุทัยคือปัญหาเป็นเหตุแต่มาถึงตรงนี้เนะครับตรงปล่อนนี้สังเกตให้ดีว่าท่านตรัสทุกขไว้ในฐานะที่ไม่ใช่เอาเท่าตัว ชาติไว้ในฐานะที่ไม่ใช่ทุกข์ก่อนคือเอาชรลาและมรณะเป็นทุกข์ชาติกลายเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ก็คือทุกข์ด้วยกันในอริยสัจสี่เนี่ยทุกบางอย่างก็มีฐานะเป็นทุกข์ด้วยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ด้วยทีนี้เวลามองเนี่ยครับ ถ้าเรามองสภาวะทำนามรูปใดโดยหลักยีอยู่ตรงนี้อย่างฐานะที่เป็นผลไม่ใช่ฐานะเป็นเหตุก็เรียกว่าเป็นทุกข์ถ้ามองอย่างในฐ า, านะเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อีกอันหนึ่งก็อยู่ในฐานะเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ในปฏิจจาหนะ้าทุกปฏิจจาแต่ละองค์เนี่ยมีฐานะเป็นทุกข์หมดเมื่อมองในมุมนั้น แล้วก็มีฐานะเป็นสมุทัยคือเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เมื่อมองในมุมทุกข์แต่ชาาและมรณะนี้ตรัสในฐานะที่เป็นทุกข์มิใช่เหตุลีถึงตรงนี้เนี่ยท่านก็อธิบายเอาไว้ดีว่าบรรดานามรูปทั้งหลายปรากฏการของนามรูปที่มีฐานะเป็นทุกข์อย่างเห็นได้ชัดคืออะไร ท่านก็บอกว่าชาาและมรณะบางทีก็ต่อด้วยโสกะบริเทวะนะครับแต่ว่าในนี้ไม่เอ่ยถึงก็ปนหนกอยู่ในนั้นชาราและมรณะเป็นของมีปรากฏอยู่ในในคนทุกคนแล้วก็เป็นเป็นภัยในสังสารวัตรที่เห็นได้อย่างในชั้นห ย, ยาบหยาบท่านจึงเปรียบเทียบว่าเหมือนกับบุคคลจะจับบุรุษคนหนึ่ง ถ้าบุรุษผู้จะจับบุรุษอีกคนหนึ่งเนี่ยจับเอาที่ที่จุกไว้จุกไว้จุกอย่างคนโบราณ น, นะถ้าจับตรงนั้นได้แปลว่าจับบุรุษบุคคลนั้นได้ข้อนี้ฉันใดเมื่อจะจับทุกนเนี่ยถ้าจับชลาและมรณะได้บุคคลนั้นชื่อว่าจับทุกไว้ได้ทั้งหมด คือมันนึกจับจุดสําคัญของทุกนะเหมือนเวลาที่เราถ้าเราเปรียบเทียบเองนะนึกต่อท่านว่าเวลาจับปูเนี่ยจับที่ไหนจับที่กระดองเวลาจับงูจับที่ไหนจับที่หัวที่คอฮะเอาไม้สามง่ามจับอเวลาที่เราจะจับปลาดุกก็จับที่หัวแล้วก็เอามือค้าไอ้เงี่ยงมันไว้ มันก็ทำอะไรเราไม่ได้เวลาจับกระต่ายก็จับที่หูก็เป็นนั้นว่าเราจับกระต่ายได้ทั้งตัวมันจะมีจุดจับนีนงการบอกนี่นะว่ามันจะมีจุดจับเพราะนั้นไอ้ทุกเนี่ยมันจะมีจุดจับว่าเราจะจับทุกและให้แทงตลอดทุกเนี่ยจับตรงไหนท่านก็ว่าจับที่ชะลาและมรณะโสกบปลีเทวะเนี่ยเป็นจุดที่เราเห็นได้ก่อน จริงหรือไม่เราก็นึกตอบได้นะฮะว่าความอย่างเช่นว่าอย่างที่เราพูดกันนะครับว่าเวลาที่เรามีปัญหาชีวิตมีความทุกข์เศร้าโศกเสียใจพลัดพาด่พากจากของรักพูดกันอยู่ทุกวันนี้เมื่อเร็วๆนี้ก็มีคนพูดไม่รู้ใครพูดนะนะก็ทำให้เห็นว่าชีวิตเนี่ยเป็นทุกข์จริงๆการเกิดเนี่ยเป็นทุกข์จริงๆ ก็มันไม่ใช่ถึงขั้นอริยสัตว์สีได้จริงนะแต่เริ่มเห็นว่าโอ้มันเป็นทุกจริงๆคนที่มีโรคภัยไข้เจ็บทุกข์ในอกลุ่มคําของปริเทวะเนี่ยก็ทําให้เราเห็นทุกจริงๆเกิดความเบื่อหน่ายนี่เรายังไม่ได้ปฏิบัติแต่ก็เป็นสิ่งที่ทําให้เราสแสวงหาปฏิปทาเพื่อพ้นจากทุกนี้ไปเบื่อหน่ายในสังสารวัตรขั้นธรรมดาธรรมดาได้แล้ว ถ้าบุคคลนำเอาเอาทุกเนี่ยไปเป็นปัญหาเพื่อการกำหนดรูอย่างพระโพธิสัตว์เห็นเทวทูตแล้วก็ามาพิจารณาว่าทำอย่างไรถึงจะพ้นชลาและมรณะไปก็ไปพิจารณาจนกระทั่งยิ่งยิ่งพิจารณายิ่งเห็นนะฮะเพราะว่าเวลาที่คนกำหนดภาวนาเนี่ย ไอ้เรื่องที่มันมันเหมือนไม่มีอะไรอย่างชะลาและมรณะเนี่ยนะครับเวลาเราคิดเนี่ยเราก็ว่ามันก็พอเห็นเห็นแต่ว่ามันไม่เกิดความาซาบซึ้งและสะ พ, พึงกลัวถ้าเราเอาไปกําหนดพิจารณาเนี่ยมันเกิดความซาบซึ้งสะ พ, พึงกลัวซึ่งอารมณ์ตรงนี้พูดในทางปริยัติยังไงก็ซึงได้น้อยอยู่วันอย่างครับ ต้องไปพิจารณาเองแล้วก็บ่มความรู้สึกคิดพิจารณาแยกแยะไปโดยลําดับก็ได้เห็นความรู้สึกมันชัดเจนขึ้นท่านจึงเติมคําว่าทุกจะเห็นให้ดีดูให้ดีนะที่พิมพ์ตัวหนาไว้เนี่ยพิจารณาเห็นทุกโดยจับที่จราและมรณะเป็นเบื้องต้นเป็นที่อาศัยเพื่อความเข้าถึง ความทุกข์อย่างอื่นๆโดยลำดับสืบต่อไปแล้วก็ว่าอชลามรณะมีประการต่างๆมากมายในโลกนี้ก็รวมโสกาปริเทวะทุกโัวมนั์อุปายาตเข้าไปในความที่เรียกว่าชลาและมรณะนั้นด้วยพิจารณาหาเหตุว่าเกิดจากอะไรทีนี้เมื่อพิจารณาหาเหตุเนี่ย ก็ดูแล้วมันก็เหมือนง่ายๆในข้อที่ว่ามีอะไรเป็นเหตุเขาบอกว่ามีชาติฟังดูมันเหมือนกําปั้นทุกดิ่งที่ว่าเหมือนกําปั้นทุกดิ่งก็คือว่าพูดอย่างนี้ใครๆก็รู้ว่าเพราะเกิดจึงแก่และจึงตายใช่ไหมก็ไม่เห็นจะมีอะไรน่าอัศจรรย์ตรงไหนก็ใช่แต่ถ้าถามว่าถ้าอย่งงางนั้นแล้วต่างกันตรงไหน อันนี้เราก็พยายามย้อนกลับมาเทียบกับประสบการณ์เล็กๆน้อยๆของเราเนี่ยนะครับบ้างเวลาเราปลาลบความแก่และความตายเนี่ยเราเอาข้อปลาลบด้วยกิเลสออกไปเสียเรามันรู้สึกว่าเวลาปลาลบความแก่และความตายซ้ำๆ ซ, กซากๆแลแล้วเราเเนี่ยเราเคยมีความรู้สึกสยดสยองอย่างได้ความรู้สึก บ้างหรือไม่อันนี้เราถามตัวเราเองที่ผมถามเนี่ยเพราะว่าอยากจะถามเพื่อให้เทียบกันว่าเคยเกิดความรู้สึกอย่างนี้บ้างหรือไม่รู้สึกว่าความแก่และความตายนี้ไม่ดีเลยน่าเบื่อเดี๋ยวก็แก่แล้วเดี๋ยวก็ใกล้จะตายแล้วกลัวอยู่ทุกวันนี้เกลียดไปอยู่ทุกวันนี้บางคนอาจจะมีความรู้สึกแรงมากก็ได้ผมเองผมก็มีพอสมควรนะ ก็ไม่ได้ไปเทียบกับใครจริงๆแต่ว่าหลายคนคงเกิดความรู้สึกแรงมากแล้วก็มันก็ว่าผุดขึ้นมาเตือนเราเป็นคราวๆเนี่ยทีนี้ไอ้ความรู้สึกรังเกียจความแก่และความตายอย่างที่มันเป็นรถหรือเป็นอารมณ์อันเนื่องโดยกรรมฐานหรือในสายตางของกรรมฐานเนี่ยถ้าเป็นอารมณ์ในกรรมฐานเนี่ยมันมันอธิบายให้ความรู้สึก ได้อย่างพูดไม่ถูกนะฮะพูดพูดเข้าใจได้ลาบากไม่รู้จะใช้ปรนนาาโวหารอย่างไรพูดแล้วบางทีเหมือนกับเราไปฟังคนรุ่นเก่าก็พูดเราก็ฟังไปเหมือนนึงเหมือนเหมือนกัคนมีมีเหมือนเป็นโลกจิตพอดีจะคิดไปงั้นนะเออเขาเป็ น, นเขาได้อะไรเราก็คิดไปอย่างนั้นนะ อ, อาจจะมีคนคิดต่อคำพูดของเราอย่างนี้ก็ได้ แม้แต่เรื่องที่เรากําลังจะพูดอยู่เนี่ยคนบงคลเขาก็ฟังนะเป็นเรื่องที่เขาไม่เกิดความรู้สึกอะไรแล้วมีการรู้สึกต่อต้านหลักทฤษฎีอย่างนี้อย่างชนิดที่อยากจะหันหลังกลับเลยทีเดียวหรืถ้าพูดถึงว่าในความรู้สึกเบื่ออย่างชนิดที่เราเองมีอาธิพรมจันทร์เชื่อเรื่องการเวียนว่ายได้เกิดอะได้อะไรงนันนะแม้ว่าเราจะยังไม่ได้กาหนดเห็น อย่างในทางภาวนาว่าเราได้ตายมาแล้วจับเพียจับปัจจัยได้อย่างชัดเจนลึกซึ้งเนี่ยมันก็เบื่อเบื่อจริงๆเบื่อความซ้ำซากนึกว่าเราไปเกิดเป็นพรมเป็นอรูปภพมนี้มันก็เป็นอย่างนี้อยู่นานแค่ไหนเดี๋ยวก็กลับไปกลับมาอย่างที่เขาพูดๆกันนะครับมันไม่ได้ถ้าไม่ได้ความรู้สึกแล้วก็ไม่เกิดความรู้สึกจับใจ และเกิดความรู้สึกสะปรือกลัวทีนี้เมื่อเราเห็นชาอาชาลาและมรณะเป็นทุกข์เนี่ยก็เห็นภัยของการเกิดนะว่าไอ้การเกิดเนี่ยทำให้เราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วแล้วเราเาซ้ำซ้ำ ซ, ำซากซากที่อยู่อย่างนี้ก็ไปตั้งข้อลังเกียชาติในอริยสัตว์ท่านถึงว่า ชาติเนี่ยที่ถือว่าเป็นทุกเนี่ยก็เพราะว่าเป็นที่มาของชะลาและมรณะในอนริยสัจ ส, สีว่าอย่างนั้นชาติเองก็เป็นทุกด้วยเป็นของหน้ารังเกียจ ด, ด้วยเพราะเป็นที่มาของชรลาและมรณะในตามอธิบายในตำรายอย่างนั้นก็พิจารณาเข้าไปเห็นอย่างนี้แต่ก็อย่างที่ผมเคยบอกแล้วว่า การพิจารณาเห็นชราและมรณะแล้วก็ชาติที่สัมพันธ์กันเนี่ยทั้งโดยการอย่างเห็นอย่างเห็นในทางสภาวะของอารมณ์ก็ลึกตื้นไม่เท่ากันและโดยความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากการอย่างเห็นที่ลึตตื้นไม่เท่ากันก็ไม่เท่ากันบางครั้งก็แรงมาก บางครั้งก็แรงน้อยบางครั้งก็พูดสักแต่ว่าเข้าใจในหลักการแต่ความรู้สึกไม่ออกก็มีอย่างนี้ในในความเป็นจริงขางเราที่เป็นไปกระธรรมะอยู่เป็นปกตินี่นะบางทีมันอาจจะแรงถึงขนาดว่ามันกลัวไปหมดกลัวไปหมดหรือเบื่อไปหมด แล้วก็ไม่รู้จะทำอะไรดีไม่รู้ว่าจะทาอะไรดีโดยเฉพาะตอนตื่นกระพูดถึงชีวิต ธ, ธรรมดาเนี่ยผมมักจะเป็นตอนตื่นเพราะอนจานี่จะติดนิสัยต้องทำทำภาวนาะในขั้นของความรู้สึกที่มันผุดขึ้นมาโดยเฉพาะตอนตื่น แล้วมันบอกไม่ถูกไม่รู้จะพูดว่างไงนะมันมันโหมันเบื่อมันไม่รู้จะทำอะไรดีแล้วก็มันรู้สึกว่าเหมือนเราอยากเราเราจะรอไม่ได้รอไม่ได้รอที่จะไปทำอะไรอะไรเพื่อไอ้ที่เรานึกอยู่โดยความคิดปกติเนี่ยมันรอไม่ได้มีความรู้สึกแรงอย่างนั้น แล้วบางทีก็มันหมดเรี่ยวหมดแรงหมดเรี่ยวหมดแรงคือมันหมดเรี่ยวหมดแรงทั้งแรงกายแรงใจมันน่ากลัวจริงๆเกิดความรู้สึกอย่างนั้นนะ่ะน่ากลัวจริงๆเสร็จแล้วเราก็ต้องตั้งความรู้สึกอยู่นานว่าเราจะมาอยู่ด้วยความรู้สึกนี้ไม่ได้อยู่หมายถึงอยู่อย่างชนิดที่ไม่ทําอะไร ด้วยความรู้สึกอย่างนี้เราต้องใช้ความรู้สึกอย่างนี้เพื่อทำอะไรเพื่อทำให้เกิดแรงทำอะไรแล้วบางครั้งก็เกิดความรู้สึ ก, กไม่มันกลัวความรู้สึกนี้เหมือนอย่างในอารมณ์กรรมฐานจริงๆแล้วหลายๆคนเวลาทำกรามฐ า, านเนี่ยถึงจุดหนึ่งก็จะไปเจอไอ้อารมณ์เนี้กลัวความรู้สึกอย่างนี้แล้วก็อธิบายให้ใครฟังก็ไม่มีทางจะเข้าใจได้ ความรู้สึกนี้ถ้าไปใช่คนในวัดนะคนนอกวัดเนี่ยแม้แต่พูดก็ไม่มีทางจะพูดได้เลยมันคนละเรื่องคนละภาษาที่จะพูดให้คนในครอบครัวหรือใคร้าใครเนี่ยเข้าใจได้เขาก็อาจจะฟังเห็นเป็นของสนุกแล้วก็น่าจะคิดว่าเราน่ยมีอาการผิดปกติทางจิต ไ, ไปแต่แล้วเหมือนกับที่เราเคยมีความรู้สึกกับคนรุ่นเก่าๆเขาพูดเนี่ย มันคล้ายๆกันอย่างนั้นต้องอาจเข้าใจไม่ได้ทีนี้พอจับตรงนี้ได้เนี่ยครับก็ค่อยๆกำหนดตัวอื่นๆเนี่ยเป็นของไร้สาระน่าเกลียดตามไปด้วยทั้งหมดเรียกว่าจับถูกจุดและเป็นจุดที่เราสามารถจะจับได้การเริ่มทำวิปัสสนาโดยในของปฏิจจาจึงต้องทำที่ชลาและมรณะเนี่ยก่อน เราพุทธเจ้าเองก็บรรลุได้ด้วยการพิจารณาชะรามรณะนั้นก่อนก็ก็รู้เหตุรู้ปัจจัยนะว่าต้องต้องไม่เกิดอย่างที่เราได้ยินดีนกันมานะครับว่าจะพ้นจากความแก่ความตายได้ด้วยต้องไม่เกิดทีนี้พอพูดว่าต้องไม่เกิดถ้าเอาความคิดธรรมดามาคิดก็ว่าเออถ้ามันไม่เกิดแล้วมันก็ไม่มีอะไรจะแก่ก็กลายเป็นไม่ดีไปเหมือนกันขอให้มันมีอะไรแม้แต่แก่จะแก่หน่อยก็ได้ ก็ยังนับมาน่าชื่นใจคือยังมีอะไรให้แก่ดีก็ไม่มีอะไรเลยนะี่ลำนองมีผมบนศีรษะถึงจะขาวโกลนเป็นดอกเหลาก็ยังดีก็ไม่มีผมเลยคิดเป็นเหตุผลของกิเลสนะครับก็คิดเป็นอย่างนั้นไปจากนั้นเนี่ยโดยลําดับจากนั้นท่านก็ตรัสว่าภิกษุนั้นย่อมรู้ประจักษ์ชลาและมรณะจากพุทธพจน์ตรงนี้นะ่ะ ยืนยันว่าความหมายของความรู้ประจักษ์ของชาลาและมรณะมีความหมายพิเศษกว่าที่เราคิดกันแบบง่ายๆแน่นอนเพราะว่าชาลาและมรณะเนี่ยเราคิดว่าเรารู้จักหรือเรารู้หรือรู้ประจักษ์แล้วหรือก็ตอบได้เลยว่าเรายังไม่รู้ประจักษ์ เช่นว่าคนที่ปฏิบัติงานอยู่ในบ้านพักคนเจลารู้ประจักษ์ถึงความชลาดีแล้วหรือรู้อย่างไรและต่างกับที่พระโพธิสัตร์รู้อย่างไรคนชลาด้วยกันที่อยู่ในบ้านพักคนเจลารู้จักความชลาดีแล้วหรือและถ้าเอาให้ชัดเลยคคนชลาเองที่นั่งๆอยู่นี่หรือไม่มีกันไหมล่ รู้จักความชลาของตัวเองดีแล้วหรือและรู้ว่าอย่างไรและธรรมะรู้ว่าอย่างไรและคนที่ยังไม่ชลาเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะรู้จักความชลาและมรณะดีหรืออ่าถ้าเป็นมรณะเนี่ยคนกําลังตายรู้จักมรณะดีหรือหรือรู้ตอนยังไม่ตาย เออพอพอมาถึงของลู้ใจจ้าเนี่ยท่านกลับหมายเอารูตา้ตอนเดียงไม่ตายไอตอนตายแล้วกลับไม่รู้อืมก็เป็นเรื่องที่เราก็อาจจะคิดว่ามันแปลกแต่มันก็ไม่แปลกเพราะว่าอะไรหลายๆอย่างที่มันอยู่ใกล้หูใกล้ตาใกล้มือเราเนี่ยเราก็อเหมือนไม่รู้จักเหมือนตัวเราเองเหมือนสามีหรือภรรยาหรือลูกชายลูกหญิงของเรา หรือแม้แต่บ้านที่เราอยู่หรือรถที่เราขับเนี่ยเรารู้จักดีแล้วหรือเพราะนั้นไอ้รู้จักอย่างนี้นะเป็นคนละส่วนกับการรู้จักอย่างที่รู้จักกันอย่างในทางสติปัญญาเนี่ยทางธรรมะถ้าว่ากันอย่างพอเข้าใจได้คือการรู้ประจักษ์เนี่ยจะต้องรู้ด้วยทัศนคติที่ เห็นเป็นโทษเป็นภัยเป็นอันตรายนี่พูดถึงว่าในเบื้องต้นเนี่นะอย่างหนึ่งแล้วก็รูล้ลงไปสู่ทางลึกทางลึกหมายถึงชาลาและมรณะทางลึกคือขั้นปรมาสนั่นเองนั่นเป็นอีกอันหนึ่งที่ลงลึกเข้าไปทั้งสองอย่างเรียกว่ารู้ทั้งสองอย่า ง, ด ง, อ ง, อางโดยอาศัยความแก่และความตาย ธรรมดานั้นเป็นที่อาศัยแล้วเกิดความรู้สึกแจ้งชัดในสิ่งที่เป็นชลาแล้วก็ไม่หมดแค่นั้นอย่างที่ท่านกล่าวต่อไปย่อมรู้ประจักษ์เหตุแห่งชลาและมรณะเหตุอย่างเป็นเหตุใกล้ๆเหตุใกล้ๆที่เป็นไปตามขั้นตอนทงกติจาร ก, ก็คือชาตินี่แหละเพราะเกิดนี่แหละจึงเป็นเหตุให้ แก่ให้ตายเพราะฉะนั้นเกิดก็เป็นของไม่ดีด้วยแล้วก็ย่อมรู้ความดับแห่งชาลาและมรณ ะ, ะคําว่ารู้ความดับนี่อธิบายอย่างที่ได้เคยอธิบายมาในสูตรอื่นๆว่าความดับมีสองอย่างอย่างหนึ่งก็คือดับโดยขณะและอีกอย่างหนึ่งหมายถึงความดับ โดยไม่ต้องมาเกิดและมาแก่มาตายอีกนี่เรียกว่ารู้ความดับรู้ช่องทางที่จะค้นไปจากความดับซึ่งไม่ได้หมายถึงการทำให้แก่ช้าหรือทำใ ห, ให้แก่ด้วยวิธีการอย่างอื่นทีนี้เวลาคนที่เขารู้ทางไปในขั้นของการปฏิบัติเนี่ยนะฮะ กว่าเวลาที่คนปฏิบัติไปเห็นทุกข์แล้วมันจะเห็นทางออกไปเห็นความชั่วแล้วมันก็เห็นทางออกคืออย่างว่าเราไปเห็นกิเลส ข, ของเราเห็นภัยจากกิเลส ข, ของเราหรือเห็นกรรมของเราที่ได้ทำแล้วมันจะเห็นทางออกไอ้ทางออกเนี่ยใจมันจะโน้มไปอันนี้ยังไม่พูดถึงขั้นนิพพาน นิพพานที่ค่อยๆปรากฏเข้ามาทดแทนก็เป็นอีกทางหนึ่งมันก็เป็นของมีทางออกเสมอแล้วก็รวมทั้งไอ้ความอทุกข์ใจทุกใ จ, กใจอะไรทั้งหลายเนี่ยมันก็เหมือนว่าเราเองไปสู่ที่ปฏิบัติทำต้องอดอะไรต่ออะไรที่เป็นความสุขด้านอื่นเนี่ยมันก็มีทางออกที่เป็นความสุขชดเชยแปลว่าทุกๆอย่างเนี่ยมันมีทางออกปรากฏเข้ามา ให้เราดได้ดูด้วยตัวเราเองอันนี้แหละเรียกว่าเป็นการรู้ความดับว่าเราจะไม่เกิดไม่แก่อีกนั้นมีที่ดับมีที่ทดแทนอย่างไรใครที่เป็นนักปฏิบัติขอให้นึกเทียบกับเรื่องอื่นด้วยนะบางทีไอ้จุดหนึ่งเราไม่กระจายแต่ว่าเทียบกับเรื่องอื่นเนี่ยอธิบายในเหตุผลเดียวกันแล้วว่าย่อมรู้ประจักษ์ปฏิปทาอันสมควรให้ถึงความดับ ก็คือรู้นั่นเองว่าเราทำอย่างนี้จึงจะพ้นได้ทำอย่างนี้เท่านั้นจนึงจะพ้นได้ถ้าเราไปนึกเทียบกับความรู้สึกของที่ติดตัวมากับคนบางคนที่มีปีบารมีเนี่ย<ส>เกิดความเบื่อหน่ายในสังสารวัฏเดี๋ยวก็ตัวเองก็ไม่เคยฟังธรรมไม่ได้เคยครบบัณติไม่เคยปฏิบัติธรรม เปิดมาแล้วก็เห็นชีวิตไร้สาระเบื่อหน่ายในชีวิตแล้วก็ไม่รู้จะทำอย่างไรนี่อันหนึ่งแล้วบางคนก็กลับมาเกิดความคิดรแวงว่าเอะเราทำไมต้องต้องเกิดความรู้สึกอย่างนี้ทำไมเราต้องเป็นอย่างนี้ไปเที่ยว บ, บุษราคุยกับเพื่อนกับผู้งเขาเขาก็พากันว่าเป็นคนมีปัญหาทางจิตนะ เขาตีค่าทางบารมีไม่ออกแต่ว่าพอมาเข้าสู่ทางนี้เกิดเราก็เข้าใจค่าทางบารมีเพียงแต่ว่าเขายังไม่มีทางออกแล้วก็กําหนดค่าอันนั้นยังไม่เป็นแต่ฝืนความรู้สึกไม่ได้อ่า น, นี่เป็นขั้นยังอยายังไม่ปฏิบัติทีนี้พอมาลงมือปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติแล้วไอ้ความรู้สึกอย่างนี้มันก็มีแล้วมันก็ มีเป็นขั้นๆมาเนี่ยนะแก็มีทางออกเป็นขั้นๆไปแต่มันจะมีไอ้การกระจุกตัวสำคัญในบางช่วงที่เราเกิดความรู้สึกว่าเบื่อกลัวแล้วก็อยากจะพน้นทั้งที่ตัวเองทำภาวนาอยู่แต่ว่าไอ้การที่จะถอนความรู้สึกระดับนี้ตรงนี้ออกไปเนี่ยทำยังไงไม่รู้ ตรงนี้จะเป็นปัญหาสำหรับทุกๆคนที่ปฏิบัติธรรมและมีคำตอบอยู่ในตอนท้ายของสูตรนี้นะฮะหรตอ น, ตอนหลังๆสูตรนี้ว่าทำอย่างไรและทำอย่างไรแล้วเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรเพราะทำอย่างไรแล้วเนี่ยนะจึงเป็นเป็นสาระหลักของตรงนี้ เราว่าถ้าเมื่อใดเราเบื่อแล้วเราเกิดความไม่สบายใจไม่มีทางออกกลุ่มใจต้องมาร้องโหยมร้องไห้อะไรแต่อะไรอย่างที่ทํากันหรือมันรู้สึกว่ามันมืออ่อนตีนอ่อนเบื่อไปหมดอะไรก็ไม่อยากได้อะไรก็พึ่งไม่ได้เบื่อหมดแรงกระทั่งว่าตัวเองจะทําอะไรต่อไปมันก็ไม่มีเนี่ย มันคือมันหมดแรงไปเลยอย่างที่ว่าเนี่ยนั่นคือยังไม่พบทางออกมันไอ้ทางออกเนี่ยมันก็ที่จริงก็คือศีลภาวนาภาวนาที่เราทำเนการคือศีลสมาธิปัญญาที่เป็นองค์ภาวนากระบวนยู่ในกระบวนการเนี่ยไอ้กิเลสไอ้ไอ้ไอไอไอไอเวลามันเกิดญาณกนะิเลสก็เข้าจับโดยเฉพาะความยินร้ายจะมีความยินร้ายเข้าจับมันก็ยินดียินร้ายนะเข้าจับ ได้ดีก็ยินจินดีไอ้ได้ดีในบางอย่างแล้วก็มารติการม่ดีก็ยินได้พอยินรายเข้ามันก็ทำให้เกิดการลวนลวนคือจะไม่ทำอะไรจะไม่ชอบใจจะอย่างงูอย่างนี้แล้วในที่สุดก็กรับมักไม่ชอบใจว่าเราไม่น่าเห็นอย่างนี้เลยนี่พูดเราเหมือนไม่เหมือนไม่มีนะจริงจริงมีเราไม่น่าเห็นเลย เห็นแล้วมันเกิดความรู้สึกอย่างนี้ขึ้นมานี่คือไม่คิดในทางแก่แต่ว่านะคิดในทางว่าไอ้บกที่เลดบังเข้าก็คิดปฏิเสธคุณค่านั้นด้วยกิเลสเลยมีพฤตก ร, รรมระหว่างนั้นนะเป็นไปต่างๆกันที่นั่งๆอยู่นี่ก็มีครับที่ถามทีททททททท่อื่นก็มีเออ มันกลายเป็นเรื่องน่ากลัวนะกลัวก็ะทั่งกลัวความรู้สึกนะกลัวอารมณ์ที่เห็นแล้วก็กลัวความรู้สึกกลัวสังสารวัติไอ้ที่ว่ากลัวสังสารวัตเนี่ยโอเราก็เข้าใจได้ตามตรงควรนะว่าอ๋อกลัวอย่างนี้เองเวลาคนมันกลัวเนี่ยมันต้องนึกหาทางออก เราคน็นึกเอ๊ะจะไปเป็นอะไรดีจะไปอยู่ที่ไหนดีจะมีอะไรดีแล้วมันไม่มีทางออกมันนึกว่าไปเป็นอารมณ์ ป, ปรพรมเนี่ยนะไม่มีทางออกและไม่มีทางออกเนี่ยมันอธิบายได้ว่าความาไม่เป็นสาระมันอยู่ตรงไหนในสุดเนี่ยมันจะลิดเข้ามาเข้ามาเข้ามารองเข้ามาเข้ามาจนทั้งว่ามันก็แค่ขนาดหนึ่งๆเท่านั้น มันแค่ขนาดหนึ่งหนึ่งเท่านั้นเองมันน่ากลัวตนูนี้นี่คือการที่พยายามหาทางออกและอธิบายให้กับตัวเองในขณะนั้นดีว่าในระหว่างนี้ถ้าเราจับทางได้เราพูดว อ, ออเราต้องทำอย่างนี้เท่านั้นจึงจะดีที่สุดไม่มีอะไรดีกว่านี้ ทำอย่างนี้เท่านั้นดีคือทางนี้เท่านั้นคือหนทางอางนี้ก็ออกมาเป็นรูปของปฏิจจ์ของอาลยศัสสีนะครับทั้งสี่ส่วนเนี่ยครบแต่ว่าในนี้มีข้อความประหลาดกว่าที่อื่นเข้ามาอันหนึ่งคือที่ว่าและย่อมเป็นผู้ปฏิบัติอย่างนั้นเป็นผู้ประพฤติทรมันสมควรตรงนี้เป็นการกล่าว โดยโลูกยอดอีกทีหนึ่งว่าการปฏิบัติธรรมที่สมควรตรงนี้ผมให้บาลีก่อนว่าบาลีท่านไม่ได้ใช้คาว่าธรรมานุธรรมปฏติปาติอย่างที่เราเคยพบบ่อยๆแต่ท่านใช้คาว่าอนุธรรมจารีอนุธรรมจารีแปลว่าปฏิบัติ สมควรอย่างที่แปลวันนี้นะปฏิบัติธรรมสมควรผู้ปฏิบัติธรรมสมควรจารีผู้ปฏิบัติธรรมะก็คือธรรมะอนุก็คือสมควรคำว่าผู้ปฏิบัติธรรมสมควรคือปฏิบัติอย่างไรได้แก่ปฏิบัติอย่างนี้กาหนดรู้ทุก ค, คือชลาและมรณะโดยนัยยะสี่ประการ นัย่สี่ประการที่กล่าวนี้นะครับในย่ว่าประจั์ชาลาและมรณะโดยความเป็นทุกข์ท้งส่วนตื่นส่วนลึกแล้วก็รู้เหตุว่าชาลาและมรณะมีอะไรเป็นเหตุเหตุตัวนี้ก็มุ่งถึงเหตุใกล้คือชาติแล้วก็รู้ความดับว่าเราจะพ้น ทางคนหรือที่พ้นของความทุกข์นั้นโดยที่เชิงมีอยู่แล้วก็รู้จักข้อปฏิบัติทั้งสี่อย่างนั้นเป็นไปพร้อมเพรียงกันโดยฉับพลันทันดีนี่แหละเรียกว่าเป็นอนุธรรมมจารีใครที่ปฏิบัติต่อชลาและมรณะโดยนัยยะขององค์สี่ชื่อว่าเป็นอนุธรรมมจารีปฏิบัติ ทำสมควรไเพราะอย่างนี้เองจึงได้ตรัสสรุปอีกครั้งหนึ่ว่าภิกษุนี้เราเรียกว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบโดยประการทั้งปวงเพื่อความดับแห่งชลาและมรณนะผมย้าอีกครั้งหนึ่วว่าตรงนี้นะแม้ขั้นเป็นพระอระหันต์แล้วเนี่ยนะ บรรลุถึงขั้นอรานลงลึกเนี่ยผมย้ำในทางหลักว่าคนปฏิบัติวิปัสนาเนี่ยอัตถกษถาท่านก็พูดด้วยว่าสองโลกเนี่ยจะต้องอิง ก, กันอยู่เสมอคืออย่างชาลาและมรารณะเนี่ยเข้าถึงชาลามราณะประมัติท่านปารมัติคืออาการเกิดอาการดับ ด้วยแล้วก็แล้วก็กำหนดรู้ชรลามรณะที่เป็นภาคสมมุติภาคสมมติหมายถึงอาการลายนอกคืออย่างไรเอาเอาจั ด, จ, ดจัดอย่างนี้นะครับว่าสมมุติว่าเราเองยังไม่แก่เราก็ต้องอาศัยคนอื่นเป็นเครื่องมือก่อนเพราะคนอื่นเขาแก่ เราเองก็ต้องแก่ผมมันจะสงสัยจะเป็นโรคประสาทมันนะเห็นคนแก่ไม่ได้นึกถึงตัวเองแล้วเสียวสยองตลอดเวลามาจนถึงเดี๋ยวนี้จนเป็นเหตุการณ์ปกติเราต้องแก่แล้วก็เมื่อกี้เวลาเราแก่เนหน้าเราจะเหี่ยวยังไงนะสมัยยังหน้าเด็กๆอยู่ก็นึกว่าเราอายุสามสิบเนีหน้าอะไรเป็นไงนะสี่สิบหน้าเป็นไงนะ ในอีกสามสิบปีข้างหน้านี้เราก็เจ็ดสิบแล้วเจ็ดสิบหน่อยๆแล้วเนี่ยเราจะเป็นยังไงนะเเวลา<ม>เราไปเห็นแบบอย่างก็สะท้อนกลับมา เ, มเราเป็นอย่างนี้จะเป็นยังไงแล้วนะก็นึนะกเกิดความสลดเลยเห็นคนแก่แล้วก็ดูถูกหมดทุกคนใช่ป่ะมันจะตรงกันข้ามเราเห็นใจเพราะว่าเรารู้สึ ก, กเปิบๆเลยเราได้ก็ออกเดียวกัน เผ ล, อ, เลอไปนึกว่าเรา ก, กาลังแก่มันือนกับเขาไงนะแล้วก็ต้องเจ็บต้องตายต้องจะตายยังไงก็ไม่รู้ลาําบากยังไงก็ไม่รู้แล้วมันก็มานึกไปถึงพบหน้าชา้ำหน้าได้เก่าๆโอ้คิดแล้วก็เบื่อไม่ทังหลายแก่เลยอะไก็วนไปวนมาคือมันเป็นรถทางความรู้สึกที่สะท้อนมาจากเิื่งเหล่านี้ อันนี้นราเป็นเป็นภาคสมมติคือเริ่มต้นเนี่ยแม้พระโพิสัต์ก็อาศัยอันนี้แล้วก็กลับข้ามาพิจารณาตัวเองอย่างเป็นอนาคตแล้วก็ค่อยๆกินเข้ามาเป็นปัจจุบันว่าเดี๋ยวนีนะ้เราไม่แก่หรือเราก็แก่ลองไปยืนเทียบกับเด็กๆดูนะใช่ไมเราก็แก่เราถึงต้องคอยหลอกให้อยู่ใกล้ๆคนแก่เขาไว้เราได้หนุ่มได้สาว มันก็โสมสุดแล้วก็บางอย่างเนี่ยเราอายุน้อยแต่บางทีเราก็แข็งแรงตู้คนแก่ไม่ได้ใช่ไหมอก็เลยว่าพอถึงระยะนี้ท่า น, นบอกว่าความแก่ความตายมันติดหัวเราตั้งแต่เกิดเหมือนกับไอ้ลอยฝุ่นบนหัวเห็ดพอขยับเข้ามาถึงตรงนี้นะเรียกว่าลงลึกกว่าธรรมดา แล้วก็ถึงจุดสุดท้ายก็คือจะเป็นคนอยู่ในไวัยไหนล่วงการผ่านวัยมาแค่ไหนเสมอภาพกันในความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนี่คือชะลาและมรณนะอย่างในทางลึกเป็นอย่างนี้ด้วยกันทั้งนั้น เราจะอยู่ในไวัยไหนก็เป็นอย่างนี้นามลูกของคนแก่เดินช้าพูดช้านามลูกเกิดดับช้าใช่ไหมนามลูกเกิดดับช้าหัหยไม่ช้าคนหนุ่มพูดจาแข็งขันทาอะไรจัดกระฉกระเฉงว่องไวนามลูกเกิดดับเร็ว้วไม่นามลูกเกิดดับเหมือนกันนี่คือความเสมอภาค เรียกว่าถึงตรงนี้อย่างลึกลงลึกแล้วผู้ปฏิบัติเพื่อสิ้นทุกข์โดยชอบเนี่ยก็คือการกำหนดเห็นชราและมรณะอย่างนี้ฟังดูแล้วมันก็ใจเหี่ยวเหมือนว่าพอไปเห็นคนแก่ก็แล้วใจเหี่ยวอย่างบางคนก็พูดเลยนะ แต่อย่างที่ผมบอกแล้วว่าธรรมะเนี่ยเขามีสิ่งชดเชยสิ่งชดเชยความสุขอีกอย่างหนึ่งเข้ามาชดเชยเมื่อเราไปเห็นชีวิตเราเป็นคนแก่มาตั้งแต่เกิดแม้ปฏิจจาคมื่ออื่นก็ พิจารณาโดยลําดับขั้นโดยลําดับตอนอย่างนี้จนกระทั่งถึงสังขารพอไม่ถึงสังขารเราจะได้เห็นว่าหลวงพุทธเจ้าได้ตรัสอธิบายว่าก็สังขารไม่มีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นสมุทยัยมีอะไรเป็นแดนเกิดเนี่ทํานองเดียวกันก็รู้ประจักษ์ว่ามีวิชาเป็นเหตุเป็นแดนเกิด และวิชามีสังขารก็มีวิชามไม่มีสังขารก็ไม่มีก็อพูดแล้วก็เหมือนกำปั้นทุบดีหนึ่งพราะฟังจนเบื่อเต็มทีแล้วนะแล้วผมเองผมก็รู้ว่าท่านก็ฟังจนเบื่อซ้ำๆๆแต่ว่าผมยืนยันว่าผมมีนิติของสิ่งเหล่านี้ในทางลึกอยู่แต่ผมยังไม่พูดผมยังเก็บๆไว้ก่อนแล้วก็เอาไว้ ถึงข่าวหนึ่งจะพูดถึงมิติเหล่านี้มิติในลักษณะที่เป็นปรากฏการ์หลากหลายของปฏิจจาเนี่นะจะได้พูดแล้วได้ไหมครับลวกๆพูดซะทีเดียวอาจจะเป็นเมื่อจบอก็จะพูดทิ้งท้ายว่าถึงมิติที่มันอยู่ในใจผมอีกทีหนึ่งตรงนี้เลยไม่ไปเน้นในรายละเอียดของปฏิจจานแต่จะเน้นโ อ, อ้ส่วนประกอบ ในส่วนอือ่นๆของสูตรที่เกี่ยวกับปฏิจจารต่างๆก็จะให้ดูว่าภิกษุนั้นย่อมรู้เระจากสังขารรู้จากเหตุเกิดของสังขารรู้จากความดับแห่งสังขารปฏิปทาแห่งความดับแล้วก็เป็นผู้ปฏิบัติอะไรเนี่ยนะ ตรงนี้ถ้าหากว่าให้ผมอธิบายเพื่อเทียบอย่างจากส่วนที่เราเข้าใจได้ระดับเราเนี่ยก็คือว่าสังขารเนี่ยรู้ว่าเป็นกรรมนะฮะแล้วก็มีวิชาเป็นที่มาแล้วอาวิชาอย่างที่เราก็เข้าใจได้เนี่ยนะฮะว่าเรานึกถึงอย่างเมื่อก่อนเนี่ยเราเคยทำบุญหรือทำบา ด้วยความไม่รู้ไม่เข้าใจบางอย่างตามระดับภูมิธรรมของเราตอนนั้นเราก็เห็นมันเป็นสาระถูกไหมฮเช่นว่าบางคนเคยทำบุญแล้วก็ไปปิดตองพระขอให้เกิดมาสวยงามไม่แก่ไม่เท่าทุกครั้งทำแล้วก็ปาฏณาอย่างนี้บางคนก็ทำบุญแล้วขอให้ถูกหวย หน้าตาเฉยนะไม่อายพระเลยดีไม่ดีไม่พูดกับพระหน้าตาตอนหลังนะโอ้โหมายย้อนกลับแทบจะไม่อยากให้พูดเลยพูดแล้วก็อยากจะเอาหน้าแทกเป็นดินหนีอายห้ไปพูดขอกห้ท่านได้ยังไงมีหมายถึงพระจริงจริงนะและแม้แต่พระพุทธลูกก็อายก็เราทำไมถึงไปทำอย่างนี้เพื่ออย่างนี้เคยอายย้อนกลับนะ แต่ถ้ามันนึกว่าถ้าเรามาปรารถนาอย่างนี้เองเราทาไม่ได้เด็ดขาดเราที่มันโง่จริงๆแต่ตอนโง่เราก็ไม่รู้ว่าเราโง่มารู้ต้องโง่เมื่อเราระดับเอกิเลสเนี่ยละเอียดอ่อนแล้วก็ไอ้ที่เราทําอะไรที่เราหวังอย่างโดยตรงโดยอ้อมเดี๋ยวนี้มันก็เป็นถึงเวลาหนึ่งจุดหนึ่งของเราแต่พอไปถึงจุดหนึ่ง ไอ้จุดนั้นอาจจะไม่ใช่เป็นจุดปกติแต่มันก็ว่าจุดที่เราไปเห็นธรรมเนี่ยเมื่อเห็นไอ้สังสารวัตรภภูมิโลกธรรมไม่มีสาละเนี่ยเราคลายทันทีฮะไอ้คลายความปรารถนาโดยบริยายเราทำจเจ้านู่นเอานี่เนี่ยนะเช่นว่าเราทําบุญแล้วก็ฝันหวานโดยชาติหน้าแล้วอย่างน้อยก็จะตุมมหาลัทธิ迦หวนหวานฝันหวานในใจ ถึงไม่ได้คิดเอาชัดเจนนะไอ้ความคิดแอบฝันหวานอย่างเนี้ยพอไปถึงจุดนั้นแล้วมันมองตัวเองออกนะอให้เรานี่มันยังโลภยังเคริบเคลิมอยู่กับสิ่งเหล่านี้โง่แท้แท้ไม่เอาไอ้ความวรู้สึกตอนนั้นเนี่ยนะมันเห็นความไม่เป็นสาระแล้วไม่คิดจะเอาเอาอะไรเอาความพ้นทุกอย่างเดียว และถึงตอนนี้มันออกมาจากหัจใจไม่ใช่พูดตามพระสอนให้พูดหรือพูดตามพีธีเท่านั้นเนี่ยเป็นเป็นระดับของธรรมและเราก็เห็นหน้าตาของอาวิชาว่ามันเป็นอย่างไรและมันเกี่ยวกับบุญกับบาปกับพฤติกรรมของเราเนี่ยตามครอบงาของอาวิชา ในระดับต่างกันทั้งนั้นท่านจึงได้ตรับว่าบุคคลผู้ตกอยู่ในวิชาถ้าสังขารเป็นบุญปรุงแต่งคือเวลาเราตกอยู่ในวิชาเนี่ยก็ปรุงแต่งบุญปแปลงปรุงแต่งบาปไปตามขีดขั้นของอวิชชาของเรานะะแล้วก็เมื่อเราตกอยู่ในวิชาก็ทำบุญบาปบางัง ม, มีข้อความว่าวิญญาณเข้าถึงบุญ ถ้าสังขารเป็นบุญภรุงแต่งวิญญาณก็เข้าถึงบุญถ้าสังขารที่เป็นอาบุญปรุงแต่งวิญญาณก็เข้าถึงอาบุญถ้าสังขารที่เป็นอาเนจยาปรุงแต่งวิญญาณก็เข้าถึงอเนจชาอาเนจยาหมายถึงอรูปฌานบุญหมายถึงกามาวจรบุญขึ้นไปจนถึงรูปาวจรุญนอาบุญก็เป็นบาที่ ท่านตรัสว่าวิญญาณเข้าถึงความเป็นอาบุญเนี่ยท่านหมายถึงอย่างนี้นี่อธิบายอาจจะเป็นเรื่องลึกสักนิดหนึ่งนะฮะหนึ่งวิญญาณที่ประกอบกับบุญหรือบาปนั้นวิญญาณก็เป็นกุศลละจิตเป็นกุศลละจิตไปเป็นอรูาวาจรจิตไปคืออย่างเช่นเราฟังธรรมะเนี่ย ความเป็นสังขารคือเจตนาขณะ น, นี้จิตที่เจรนานั้นอาศัยอยู่เข้าถึงความเป็นบุญตามเจตนาไปด้วยเพราะเจตนานั้นถือว่าเป็นตัวกรรมทําให้จิตได้เจติกเป็นกรรมไปด้วยนี่อันหนึ่งนะและอีกอย่างหนึ่งท่านอธิบายว่ายินญานเข้าถึงความเป็นบุญเป็นอาบุญนะหมายถึงยิญญาณที่เป็นวิบาก ที่เกิดขึ้นจากพลังของบุญบาปที่ได้ทำไว้ก็ทำให้เกิดผลิตผลในภพหน้าจาตนนินาหรือในการข้างหน้าเป็นวิบากจิตเป็นบุญหรือเป็นบาปก็สรุปอย่างเป็นหลักว่าวิญญาณเข้าถึงความเป็นบุญเป็นอาบุญเป็นอาเนจรเนียเป็นการแสดงพลังของเจตนาคือสังขารกระทาต่อวิญญาณสองปัจจัย ปัจจัยหนึ่งคือสหาชาปปัจจักขณะนั้นอีกอย่างหนึ่งคือนานักขณิกรรมปัจจัยคือวิญญาณหลังจากเจตนานับไปแล้วนี่เป็นบทอธิบายตรงนี้นีผมก็ยังอธิบายสูตรนี้เมื่อยังไม่ถึงจุดดีเวลาหมดไปแล้วสูตรที่ยาวมนเลยต้องต่อกราวหน้า